เขาจะไป ม, มองเหตุปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เพราะมีฝนตกเพราะมีฝนตกน้ําจึงไหลเพราะน้ําไหรลรถคันหนึ่งจึงมาแล้วก็ทําให้น้ํากระทบเราแล้วเร า, เราจึงกลัวน้ําเหตุต่อกระทบกันมาเรื่อยๆจนเป็นเหตุให้รถต้องลม้มเราได้รับบาดเจ็บเพราะมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องเกิดมาย้อนไปตั้งแต่นั่นตั้งแต่เพราะฝนตกเพราะมีเมฆเพราะมเมฆเพรา ะ, ะก่อรวมตัวกันไปยาวยืดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากุฎิทัปยตายาวยืดออกไปเรื่อยๆโดยอาศัยเหตุภายนอก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 เอานิทานมาเล่ามาเล่าประกอบให้เห็นภาพเคยเล่าหลายครั้งว่าระหว่างตัวเห็นสัตว์สงสองประเภทคือลูกออสกับจคายจันเนี่ยถามว่าลูกออสรู้จักลูกออสไหมได้แก่เลยบ้านเขาเรีอกอยกว่ายังลูอกออสหวกหวกน่อยนอะมันเป็นลูกกบ่นบอ